สิบปากว่าหูเป็นอวัยวะสำหรับฟังคนคนหนึ่งมีหูสองหูในจำพวกอวัยวะชั้นแนวหน้าด้วยกันหูดูเหมือนจะทำให้คนเสียหายได้น้อยถ้าที่เห็นเสียชัดชัดอยู่อย่างหนึ่งคือหูเบาคนหูเบาคือคนเชื่อง่ายมีอะไรกรอกเข้าไปในหูก็เชื่อเอาเป็นจริงเป็นจังจะกลัวก็ไม่เข้าท่าจะกล้าก็ไม่เข้าที หลายท่านคงจะเคยอ่านนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมในนิทานสุภาษิตซึ่งเป็นหนังสืออ่านในโรงเรียนกระต่ายตื่นตูมก็คือกระต่ายหูบานั่นดูดูก็น่าสงสารกระต่ายหนีภัยกันเป็นบ้าไปหลังแต่ดูดูก็น่าสมน้าหน้าตื่นกันไม่ได้ช่างไม่ดูเยี่ยงมนุษย์เสียบ้างแต่ก็อย่างว่านั่นแหละมนุษย์ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกัน ตกบทที่อวัยวะสำหรับฟังได้เบาขึ้นมาก็ตื่นไม่เป็นท่าตื่นกันแยะแล้วในระยะไม่กี่ปีนี้ก็มีตื่นพระผุทตื่นคนตายไม่เน่าตื่นสุริยปราคาตื่นหมอดูตื่นละมนจนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดตื่นฝันกันขึ้นคือมีพระรูปหนึ่งจำวัดหลับไปนานกว่าปกติหน่อยแล้วก็ฝันไปว่า ยักษ์จะมากินคนครั้งตื่นแล้วก็แก้ฝันให้ลูกศิษย์ฟังฝ่ายลูกศิษย์ก็คงจะเฝ้าคอยมานานแล้วว่าอยากจะให้ท่านอาจารย์สำเร็จสักทีเพราะได้ฟังอาจารย์แก้ฝันก็คิดว่าเอาละได้เรื่องแล้วจึงพิมพ์ใบปลิวแจกจ่ายทั่วบ้านทั่วเมืองเล่นเอาเด็กเล็กแตกตื่นไปตามๆกันว่าจะมียักษ์ใหญ่มาจับคนกินตื่นครั้งนี้ น่าจะเรียกว่าตื่นฝันกระต่ายตื่นตูมนั้นมันตื่นเป็นเรื่องเป็นราวคือลูกตาล ร, ร่วงลงมากระทบพื้นดังตูมมันได้ยินข้าวก็คิดว่าฟ้าถลม่มก็เลยพากันตื่นแต่บทชาวบางเกอกนี้เทียบกับการตื่นของกระต่ายไม่ได้เลยเพราะเรื่องตื่นยักษเป็นเรื่องเพียงความฝันที่ฝันก็คนอื่นฝันด้วยไม่ใช่ตัวเองฝันความเชื่อง่ายเป็นปมด้อยอย่างหนึ่งในตัวคน อาจทำให้เสียผลได้ง่ายๆโบราณท่านมีคาถาแก้จะเล่านิทานสู่ขนฟังมีกระทาชายนายหนึ่งเป็นชาวชนบทหลังจากที่แต่งงานแล้วไม่นานนักทีเสียว่าสักเดือนสองเดือนมีธุรกิจเกี่ยวกับการหาเงินทองมาใช้จ่ายจึงให้เมียอยู่บ้านโดยลำพังส่วนตัวเองเดินทางไปค้าขายในต่างถิ่นเป็นเวลาเกือบสองปีครั้นเสร็จธุรกิจ ทางการค้าขายแล้วก็คิดว่าไหนๆเราก็จากบ้านเกิดเมืองนอนมานานแล้วน่าจะได้คาถาอาคมอะไรดีๆไว้ใช้ประจำตัวบ้างครั้นคิดแล้วก็เข้าไปถวายตัวอยู่เป็นสิทธิ์ในสำนักพระฤาษีเฝ้าปรนิบัติเก็บพักหักฟื้นอยู่อีกหลายเดือนเรียนคาถาอาคมได้หลายอย่างดีๆทั้งนั้นครั้นตอนลากลับบ้านพระฤาษีสอนมนให้อีกบทหนึ่งเรียกว่า คาถาเข้าบ้านหมายความว่าให้เสกเวลาเข้าไปในบ้านเรือนของตนคาถานั้นว่าโอมสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำสิบมือคลำไม่เท่ากระทาในใจดีอยู่ที่ปากทุกยากอยู่ที่มือเพียงพระฤาษีสั่งว่าเจ้าจากบ้านเรือนมานานเวลาจะเข้าบ้านให้เสกบทนี้ แล้วจะได้เมียหนึ่งคนกับลูกหนึ่งคนในระหว่างทางก่อนจะถึงบ้านเขาได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งและได้รับข่าวร้ายว่าภรรยาของเขาได้นอกใจเสียแล้วหลับนอนกับชายชู้จนมีลูกได้หนึ่งคนข่าวนี้เสมือนสายฟ้าฟาดลงบนกระหม่อมของเขาเสียแรงรักเสียแรงเขาอุตส่าห์ทำงานตรากตรำบากหน้าไปหาเงินทองถึงแดนไกลมีชู้ได้ เขารำพึงด้วยความน้อยใจละคนกับความแค้นคิดตัวเองก็แล้วกันเพื่อนเอ้ยฉันเองก็ไม่เคยคิดว่าเมียเพื่อนจะเป็นถึงอย่างนั้นแต่เพื่อนอีกคนนึงบอกขา่าวข้าคิดว่าแกตรงไปที่บ้านแม่จะดีกว่าบ้านเมียชาวบ้านอีกคนหนึ่งตักเตือนด้วยเหตุผลอย่างเดียวกันคนอื่นๆ อ, อีกก็ล้วนแต่ให้ข่าวทํานองเดียวกันนี้เพราะเขารู้กันทั่วบ้านว่า ผัวไม่อยู่แล้วเมียมีลูกและปักใจเชื่อแน่ว่าเป็นหญิงมีชู้ฝ่ายผัวผู้น่าสงสารโดนกรอกหูเข้ามามากๆก็ปรงใจเชื่ออย่างแน่วแน่ ว, น ว, ว่าเมียตัวมีชู้ไม่มีทางจะเป็นอย่างอื่นแล้วเมียทรยศอย่างนี้จะเก็บไว้ทาไมอยากระนั้นเลยค่ามันเสียเขาคิดคำนึงและตัดสินใจแล้วก็มุ่งหน้าไปยังบ้านของตน ซึ่งเป็นบ้านที่เขาทอดทิ้งให้ภรยาอยู่โดยลำพังเมื่อตอนจากไปจิตใจของเขาได้เปลี่ยนจากคนสา ม, มัญเป็นเพชฌฆาตแล้วพร้อมที่จะสังหารนางเมียหญิงสองใจและถ้าเป็นไปได้เจ้าชายชูและลูกของมันก็จะต้องตายในคราวเดียวกันเขาซ่อนร่างเข้าไปจนถึงหน้าห้องนอนของเมียแน่แล้วได้มีเสียงแวววออกมาจากในห้อง ดึกแล้วแก้วตานอนกันทีอย่ากลัวนักเลยเป็นเสียงที่ได้ยินอย่างชัดเจนเขาชักดาบคู่มือออกมากุมแน่นมันกําลังรอดอยู่กับชายชูพอดีเขาคิดแต่แล้วพระคาถาที่เรียนมาจากพระเธีก็แว่วขึ้นในใจสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นทำให้เขาได้สติว่าข่าวคราวต่างๆที่เราได้ทราบมาก่อนนั้น มันอาจจริงหรือไม่จริงก็ได้พระอาจารย์ก็บอกแล้วว่าสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นถ้ากระนั้นเราน้าจะเปิดประตูออกดูให้เห็นกับตาสิก่อนดีกว่าแล้วค่อยๆผลักประตูออกแล้วกวาดสายตาดูภายในห้องไม่มีอะไรชวนสงสัยว่าจะเป็นอื่นในเมื่อมีมุ้งกลางไว้หลังเดียวแล้วมีคนนอนอยู่ในมุ้งนั้นเกินกว่าหนึ่งคนมันเป็นเมียของเราคนหนึ่ง แล้วอีกคนล่ะเป็นใครสอีกล่ะนอกจากชายชูไม่ต้องดูหน้ามันให้เป็นเสนียดในตาแล้วจัดการซสีเลยดีกว่าดาบคู่มือของเขาซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วได้ถูกเงื้อขึ้นสุดแรงแขนหมายจะฟันให้ยับขา ม, มุงแต่ทันทีนั้นพระคาถาท่อนที่สองก็แว่วขึ้นในใจของเขาสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำจริงสิ ลองคลำดูก่อนสิเขาคิดแล้วก็ใช้มือที่ว่างคลำดูเบาๆความมั่นใจของเขาแต่เดิมที่ว่าเมียกับชู้กาลังนอนอยู่ด้วยกันนั้นได้เปลี่ยนไปเพราะปรากฏว่าคนที่กําลังหลับนอนอยู่ในมุ้งนั้นกลายเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งกับเด็กน้อยอีกคนหนึ่งก็ช่างปะไรเจ้าเด็กคนนี้มันจะเป็นคนอื่นไม่ได้นอกจากลูกชายชู้ลูกมันก็เหมือนตัวมัน เชื้อไม่ทิ้งแถวแต่ก่อนที่การฆาตกรรมมืดจะเกิดขึ้นพระคาถาของพระอาจารย์ท่อนที่สและสี่ก็แว่วขึ้นในใจ10มือคลำไม่เท่ากระทาในใจดีอยู่ที่ปากทุกยากอยู่ที่มือ10มือคลำยังไม่เท่ากระทาในใจต้องคิดต้องพิจารณาใจจะมีประโยชน์อันใด ข้าคนเราอาศัยแต่เพียงลมปากและทุกยากอยู่ที่มือนี่ใจเราก็ยังไม่ได้พิจารณาให้รอบครอบปากเราก็ยังไม่ได้ใช้ปากเรามีแต่ไปเชื่อแค่ลมปากคนอื่นจะฆ่ามันเมื่อไหร่ก็ฆ่าได้ลองปลุกขึ้นมาถามดูก่อนดีกว่าผลปรากฏว่าเมื่อเขาปลุกภรยาขึ้นมาซักถามดูแล้วก็ได้ความว่าเมื่อเขาจากไปแล้วภรรยาก็ตั้งท้อง จนกระทั่งคลอดออกมาเป็นทารกนางอุสาถนอมเลี้ยงดูหวังจะเอาลูกผู้นายอินดูไว้รับสามีวันคืนเดือนปีและอายุของเด็กนั้นสอบสวนแล้วมีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของเขาเองเขารำพึงแต่ในใจว่าสิบปากว่าสิบปากว่า